นี่คือรายการเปิดธรรมที่ตูกปิดภาคออนไลน์ดางเพียวธรรมะ .com ตอนนี้เป็นตอนตามใจฉันตอนตามใจฉันนี้ก็มีข้าพเจ้าพระภยัยบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนไหสก์อำเภอหนองหันจังหวัดอุดรธานีมาพูดให้ฟังทำใจฉันนี้ก็จะพูดถึง2ประเด็นเราไม่ต้องตอบคมถามใครไม่ต้องแค่อะไรอยากพูดอะไรก็พูดแตวันนี้ก็เลยจะพูดถึงเรื่องของศัพท์ภาษาอังกฤษ เอาศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยมาอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรคือเบสจากคําสองพระาเบสจากคําไทยเนี่ยหรือคำบาลีที่เราทราบๆกันเพื่อที่ว่าบางทีจะเข้าใจได้มากขึ้นเนี่ยเพราะว่ารากศัพท์ความรู้อะไรที่มันติดมากับคําต่างๆจะเป็นไทยบาลีอังกฤษก็ตามเนี่ยแต่ละคนก็มีความแตกตางในคํานี้ไม่เหมือนกันนะบางทีในรายการวิทยุอย่างเงี้ยบางทีเราพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็จะว่าใช่ไหมเพราะเราก็เลยจะต้องมาจัดที่ว่าให้ เป็นหมวดหมู่ที่พอที่จะเข้าใจได้นะในเรื่องของคําไทยคำอังกฤษซึ่งถ้าเข้าใจแล้วก็พยายามจะใช้คําใดสักคำหนึ่งที่มันเหมาะสมกันแล้วกันในเรื่องนี้จึงจะพูดถึงอันแรกก่อนอันแรกก็คือเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องอกุศลนะบาปก็ใช้คําว่าดีเมอริตมันต้องคู่กับบุญบุญก็ใช้คําว่าเมอริตนะบาปหลายๆคนก็ใช้ใชคําว่าซินก็ได้ซินก็ได้ d ี m e r i t ก็ได้นะบุญก็ Merit ทีนี้พอมาพูดถึงเป็นสิ่งที่กุศลเนี่ยมันก็กินความกว้างขึ้นไปอีกเหมือนกันนะก็กินความพอเหมือนคล้ายๆกันนั่นแหละจะใช้คำ ว, ว่า virtual ก็ได้นะ good deed ก็ได้หรือว่า uh, merit ก็ได้เหมือนกันส่วนอกุศลนี่ก็เป็น dimeritious นะ dimeritious นี่ก็เป็นคำนามแล้วลทีนี้คำสองพุทธชาติทั้งหมดนี่ก็มาจะอยู่ที่อริยสัจสีใช่ไหมเราก็ใช้คำ ว, ว่า uh, for noble truth noble purpose โนเบลทรูธ no นะ al, คือ4นะมีอริยสัจคือความประเสริฐความจริงอันประเสริฐสีอย่างนันก็แปลตรงตัวนี้แหละในความจริงอันประเสริฐ4อย่างนี้ก็จะมีทุกขส ม, ม, กมุทัยน้โรธมัตใช่ทุกข์ก็คือสัพเพริ Suffering เนี่ยตะวันก็แปลว่าเขาใช้คาว่า Suffering มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นภาษาไทยก็ก็กควมเหมือนกันเพราะคว่าทุกข์ใช่กินความกว้างพราหมายถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่มันไม่แน่ไม่นอน นะสภาวะการเปลี่ยนแปลงนี่คือสภาวะทุกข์เพราะ้เขาก็ใช้คาว่า suffering มันก็จะกำกวมสไตล์แหละนะเรายังมันไปเข้าใจว่าไอ้เจ้าทุกขเวทนากับทุกขังตรงนี้มันคืออันเดียวกันจริงๆมันไม่ใช่มันความรู้สึกที่เป็นสุขนี่ก็เป็นทุกขังเหมือนกันเพราะอย่างไอ้ unpleasant feeling อย่างเงี้ยคือเวทนาทุกขเวทนาเขาเข้าใจว่าเป็น suffering แต่ไม่ใช่นะแม้แต่ pleasant feeling ซึ่ง ตรงกันข้ามกับ painful feeling สุขเวทนากับทุกขเวทนา present feeling painful feeling the unpleasant feeling ก็เหมือนกันอยู่ใน scope ของ suffering เหมือนกันทีนี้เหตุให้กิดทุกขนะ์คื อ, อเจ้าตัญหาใช่ม้เคาใช้คําว่า desire d e s i r e desire คือตัณหาตัณหานี่ถ้าดับไปมันก็เป็นการดับทุกข์เพราะฉะนั้นความดับไม่เหลือของทุกข์เคใช้ว่า a t i o n of suffering s ิสก็คือหยุดนะซิสเซชันคือการหยุดเพราะฉะนั้นตรงนี้หยุดได้ก็คือนิโรธบางทีก็ใช้คำศัพท์เลยนิโรโทนิโรธาอย่างนี้ก็มีเขียนเป็นภาษาบาลีตเกียมเป็นภาษาอังกฤษส่วนเจ้ามักมักนี้ก็คือ path คือทางก็ใช้คำว่าเอกโน o บโฟพาสเอกโน l บเอก h ฟพาสโนโบเอกโฟพาสเรียมักประกอบด้วยองค์อันประเสริฐ สามาทิฏฐิไงสามาทิฏฐิก็ right understanding สำมาสังกปะก็ right thought สำมาวาจาก็ right verbal นะ verbal uh, noble noble speech นะ right speech สำมารกรรมตะก็ right action นะสำมาอาชีวะก็ right livelihood ก็ right livelihood นั่นแหละ livelihood นะส่วนสำมาวิยมักก็ right effort สมมาสติก็ right mindfulness นี่ mindfulness คือสติ mindfulness หรือว่าเขาใช้ควาว่า awareness ก็ได้นั่นคือสติส่วนสมาสมาธิก็คือ right concentration บางคนใช้ meditation ไม่ถูก meditation คือการทำสมาธิคือคือแบบเรานั่งสมาธิอะไรเงี้ยพอถ้าเราพูดถึง meditation meditation คือคนคนจะไปเข้าใจว่าเหมือนกับเราทำสมาธินะต้องติดรูปแบบนะต้องนั่งต้องเดินต้องไปวดัดต้องหลับตามันจริงไม่ใช่แตนะ่ถ้าเราพูดถึงการทาจิตให้เป็นหนึ่ง นะการทำจิตให้เป็นหนึ่งเนี่ยอยู่ได้ทุกเรียบทแต่นั้นเราต้องทำจิตให้เป็นหนึ่งตลอดเวลาตรงนี้เขาใช้คาว่า concentration bright uh, concentration uh, นอกจากนี้อย่างไอคำว่าคุณทำมักแปดไปอ่ะแล้วคุณเป็นอะไรก็บรรลุเป็น noble person นะอเรียบบุคคล noble person ก็มีอยู่4ระดับใช่โวดาสกิต uh, านาค า, ารหันภาาังกีษเขาใช้คำอะไรนะก็ไล่ไปเลยตั้งแต่ stream enter นะั่นคือสบนันะ่นคือผู้เท่าคือเข้าถึงกระแสะ กกนะสกาธาคามีก็ใช้คำว่า once returner ผู้กลับมาอีกครั้งหนึ่งส่วนอ n นาคารมีก็แปลตรงตัวผู้ไม่กลับมาอีกก็ non returner แล้วก็ส่วนอรหันนี่ก็ใช้คำว่าอารหันเลยทัศัสับหรือไม่ก็บางคนก็ใช้คำว่า buddhist saint เป็น saint เนี่ยแหละ saint saint valentine ฉนะันเลยก็เป็น buddhist saint หรือว่าใช้คำว่า holy one the holy one หรือ w o t h y one ได้ตงนั้นส่วนบรรลุเป็นพระอริยเจ้าแล้ว มัรีกชาว่า n o มเบิรสเซนต์นะะก็สบายละทีนี้ไอการบรรลุปเป็นพระอริยเจานี่ก็เพราะว่าเดินตามมาตามสีนสมาธิปัญญาใช่สีลสมาธิปัญญาเขาช้คว่าสีระสีระเลย p r ร c e p t สีระก็ได้ Percept ก็ได้ Morality ก็ได้ Virtue ก็ไนดะ้สมาธิก็คือค n t เซ t ทร์เอนปัญญานี่ใช้อยู่2คํคำคือ Wisdom หรือแม้กระทั insight, ่ง i G H t นไซต์อิอย่างเงี้อ S I G H t H, อยออเ คือเหมือนกับเวลาเขาขายหุ้นนะเขาต้องมี Insight Information คือว่า เ, เจ้าของบริษัทเขาขายหุ้นตัวไหนเราก็ซื้อตามอันนี้เรา Insight คือภายในคือแบบเข้าไปเห็นอยู่ข้างในเลยนะคือเห็นตามที่เป็นจริงคือปัญญาบางทนะ่คือ Wisdom ก็ได้จริงๆ Wisdom ก็อาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่จริงจะมาชอบใช้คำว่า Insight มากกว่านะคือเห็นอยู่ข้างในนอกจากนี้ที่เราเห็ น, นเห็นอะไรเห็นว่ามันเป็นอนัตตา เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนเห็นว่ามันไม่เที่ยงเงี้ยไอ้ไม่เที่ยงนี่ก็คือ i m p e r m a n e n c e i m p e r m a n e n c e คือไม่เทียเ่ยงะแล้วก็เจ้าไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์ก็ suffering suffering หรือก็าใช้ unreliable ก็ได้ unreliable นอกจากนี้อ น, นาตาัตตาหลายคนก็จะแปลว่า non-self หรือว่า non-ego อ, อ น, นัตตก็คิดว่าใช้ทรัพท์เลยอ น, นัตตา มื่อจริงก็ความหมายมันก็ลึกกว่านั้นนะที่เราเรียนรู้ศีลสมาธิปัญญาพวกนี้นะเพื่อเห็นความเป็นอนัตตาเนี่ยจริงๆก็แบ่งมาจากสิ่งที่พุทเจ้าสอนคือ2ส่วนในส่วนที่เป็นวินัยกับส่วนที่เป็นพระธรรมวินัยก็ดีไซน์ e ใน discipline ก็ได้ discipline ก็ได้ดีไซน์โปรจริงจริงภาษาบล็อกส่วนพระธรรมวันนี้เขาใช้แปลคําว่า final นั่คือเหมือนกับปรากฏการเป็นธรรมะเป็นอะไรอย่างนี้ อันน้นก็ใช้ได้เหมือนกันหรือว่าบางคนก็แปลเฉยเขาปิชิ่งก็ได้นะอย่างเจ้าทําวินัยอย่างเงี้ยเาเรียกว่าอะไรทรเจมส์ะะนะภาษาไทยเขาเรียกว่าทรีเจมส์พระรัตนทรัยพระรัตนทรัยหรือ t รีเจมส์ก็มีพระพุะทธธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมพระพุทธก็บุดะพระธรรมก็ the teaching teaching คือคำสอนเพราะฉะนั้นจะแปลว่าพี่น้อไม่น ก, ก็ได้ท a c h i ่ g ก็ได้ นะสังฆาในที่นี้ก็คือ the noble, noble one สังฆะหรือว่า the disciple ก็ได้พุทธธรรมสงฆ์ทีนี้พรุทธเ้าในสอนทรมาไว้หลายอย่างก็จะไล่ไปแล้วกันเจ้าตั้งแต่อิทธิบาท4นะอิทธิบาท4นี่ก็ต้องพูดว่า four bases of power นะบาทอิทธินะบาทหรืจริ ง, รงนะท่านโพธิใช้คาว่า four bases of psychic power ใส่ i c Power อำนาจจิต4ก็4 Base บก็ฐานนั่นก็คืออิธิบาท4ี่เลยฐานแห่งความสำเร็จ4ประการบางคนก็ใช้ว่า4 Principles ปัลอ c ฟส s เสส่วนคำสับไปก็มักแปะเราพูดไปแล้วนะโพชงเไงโพชงเก็คือ7 Factors of Enlightenment ท์เทอร์เมนต์เซเว่นแฟคเออเอก็คือองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีเพื่อให้เข้าถึงการบรรลุ แล้วถ้าพูดถึง seven factors of enlightenment ก็ต้องพูดถึง4อย่างที่ทำให้เกิด7อย่างนี้ส่อย่างนี้คือ four foundation of mindfulness สติปัฏฐาน4 4และอย่างนี้ทำให้เกิด7อย่างนั้นะ4ะอย่างก็คื อ, อเจ้าสติปัฏฐาน4ทำให้เกิดโพชฌงเจก็ four foundation of mindfulness ทำให้เกิด seven factors of enlightenment ซึ่งทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า nirvana หนากึนิพพานหรือว่าเขใช้ทับศัพท์ไปเลยนิพพานนะหน้ า, นนานก็ได้เหมือนกันนิพพานไปจับสูงมากนิพพานนี่ต่อไปเอาคําที่แบบว่าใกล้ๆตัวนิดหนึ่ง อ, อย่างเช่นเราพูดถึงกราบอย่างนี้กราโพสทรีกราไหว่ก็อย่างเช่นเราใช้คําว่า salutation ก็ได้ salut หรือ homage ได้ทั้งนั้นกราบไหว้พวกนี้น ะ, อ, ะอย่างคำใกล้ตัวอย่างเราสวดมนต์อย่างเงี้ย ส่วนมนต์ควนใหญ่ใช้คาว่า pray prayer และแจริงๆน่าจะต้องใช้คำว่า recitation หลาคนก็ใช้คำนี้ recitation recite อย่างนี้ย่คุณไปสวดมนต์ไม่ใช่คุณไป pray นะ pray, นี่คือแบบไปอ้อนบอนขอร้องไม่ใช่อย่างั้นแต่เรามาทบทวนคำบับบรรชาเราทบทวนสิ่งที่เประโลชนาก็ใช้ควรจะใช้คำว่า recitation แตทำวัดช้าวัดเย็นอย่างเงี้ย morning recitation evening recitation ถึงจะถูกอ่า คำต่อไปเราก็พูดถึงคำว่าประมาทอย่างนี้บางคนใช้คำว่า carelessness negligent ก็ได้ indolence ก็ได้ remissness ก็ได้าพูดถึงคันหะ้าสัหน่อยคันห้ารูปก็ใช้คำว่า forms นะนะนะรู ป, นะวนะรปเวทนาเวทนาใช้คำว่า feeling นะ feeling แต่ว่า feeling ในคำนี้กับ feeling ในเวทนาก็เหมือนภาษาไทยอ ะ, ะไทยใช้คำว่าความรู้สึก ความรู้สึกมันก็มีแค่สามอย่างความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่ไม่ใช่ไ ม, ไม่ทุกข์ไม่ใช่สุขมันก็คือ pleasant feeling painful feeling แล้วก็ neither pleasure nor painful feeling มันก็จะกำกวมอย่างนี้แต่จริ ง, รงคำที่ใช้ว่าเวทนาเนี่ยมีแค่สามอย่างไม่ใช่แบบ I feel tired อย่างนี้ก็ไม่ใช่ความหมายในเวทนาอะระปเวทนาสัญญาสัญญาคือเขาใช้คาว่า perception perception คือสัญญาภาษาบาลีก็ความหมายรู้ perception นี้ก็ยังมีเวทนาวิญญาณขออภัยสังขารสังขารใช้ formation formation ก็ได้หรือบางคนใช้คำว่า compound things รูปนี่บางคนใช้คำว่า material faculties อะไนะก็จะความหมายชัดเจนกว่ารูปชัดเจนกว่าคำ ว, ว่า forms ส่วนเจ้าขันตั้ง5้านี้ก็เรียกว่า the five aggregates 5 aggregate อ่าวิญญาณแหละวิญญาณใช้คำว่า cognition นะ cognition หรือวิญญาณบางคนใช้คำว่า thought อ่าหรือ mind อะไซึ่งมันจะมีความหมายคือภาษาอังกฤษเนี่ยบางที่ความหมายมันแคบนะแต่คำว่าวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยกินความกว้างมากกว่าไอ้จะาคำว่า thought mind versus consciousness หรือว่า cognition ทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้หลายคำในคำแปลคำว่าวิญญาณอ่าส่วนคำที่ เราใช้กันอย่างวิริยะอย่างนี้นะวิริยะก็ energy ใช้ effort ก็ได้นะซึ่ง energy หรือว่า effort เนี่ยเขาใช้กันหลายๆในหลายๆโอกาสเลยวิริยะความเพียรเนี่ยบางทีก็ใช้วายามะวิริยะความเพียรพวกนี้คือ energy effort vigorous strength ซึ่งมันก็ต้องมาคู่กับความอดทนกันติคือ f o r b i d a n c e f o r b a n c e คำนี้สำคัญเลยอย่างสมถาวิปัสสนา ใช่มสมถะก็ tranquility สมถะคือแบบหรือว่า serenity ก็ได้ serenity meditation กับ insight meditation ส ม, มาถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐ า, านกรรมฐานนี่ก็ meditation ึ่งมันก็กำกว่าไปะนะกรรมฐ า, านว่าฐานที่ตั้งของการงานซึ่งก็จริงๆเราควรจะแปลว่า tranquility แค่นี้เลยจบหรือไม่ก็ serenity แล้วก็ insight หรือ wisdom ทั้งหมดนี้เราต้องสันโดษคุณจึงจะทำสมถาวิปัสสนาให้เกิดขึ้นได้สันโดษก็ใช้คำว่า contentment แต่ว่า content นี้มี Negative Connotation นิดหนึ่งคือแบบคุณแบบอัดอั unt ้นอะตันอั้นตู้นคุณจึง content คุณจึงสันโดษซึ่งความสันโดษนี้เป็นเป็นทางเลือกนะไม่ใช่ sacrificing เ, เราต้อง sacrifice ความสุขทางการโอ้ยมันไม่ใช่งั้นเราเลือกที่จะละเพราะว่าเรามีโทษไอ้ความสุขทางการนี่คือ sensual pleasure เ e n เ u a l Pleasure Ple ที่มาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายห้อย่างเซนเชลนะซึ่งไอไออินซีอย่างเงี้ยเจ้า6อย่างนี่ก็เรียก f a ค u l เ y ียติออฟเ f นเซอร์สแ s คท์เทียรวมพรม e ินซีแฟคท f เทียติก็มี6ยกอย่างใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เราพูดถึง5อย่างนะก็คื อ, pleasure อการเ e n t ช a l p l e เ s อ r e การมคุณการมคุณ5ก็คือ s e n เชียนละิตี้เซนเชที่มาจาก พวกเซนส์พวกนี้โอ้อีกคำคำว่าสั ง, าสงขาร น, นี่บางคนใช้คำว่า v o l i t i o n ก็ได้นะ v o l i t i o n formation compound e d things หรือว่าพูดง่ายๆคือมัน change มันมีการเปลี่ยนแปลง น, น, นั่นคือลักษณะของ เ, อเจ้าสังขาร <c oughs> อย่างที่เราเรียนเรียนหนังสือเนี่ยเรียนนักธรรมเรียนบาลีอย่างเงี้ยนะนักธรรมเขาใช้คำว่า doctrine k n o r doctrine อย่างเราจบระดับท่านตรีทํานโตท่านเองเนี่ยก็ด็อกทรีสามระดับบาลีก็ใช้ครับศัพท์ไปเลยภาษาบาลนะีเรียนภาษาบาลี uh, structure of language อย่างี้คำว่า เ, เวทนานี่หนึ่งเรื่องขันทั้งห้าบางคนใช้คำว่า sensation กับ feeling ได้สองคำ sensation ในที่นี้ก็อาจจะมีความหมายที่เขาแปลเข้าไปในรูปนะถ้าบางคนจะใช้อย่างนี้ก็ได้ sensation ก็ได้ feeling ก็ได้ สัญญาคือ perception อย่างเดียวสังขาราคือ formation volition หรือไม่ก็ c o m p o u n d e d things วิญญาณก็ consciousness หรือบางทีก็ใช้คำว่า cognition ซึ่งก็มีความหมายหลายอย่างนะ things ก็ได้ thoughts ก็ได้ mind ก็ได้ในความหมายนี้ส่วนคำที่เราอาจจะได้ต้องใช้อยู่เรื่อยๆอีกคำหนึ่งก็คือ เรื่องของคําว่าเข้าพรรษาอย่างเงี้ยคำว่าเข้าพรร ษ, ษาก็ใช้คว่า retreat retreat นี่ก็คือเหมือนกับไปไปซ่นตัวลบอยู่นิ่งอยู่ไม่ไปไหนนะก็ใช้คําว่า retreat a i n r ช่วงสามเดือน retreat ส่วน3เดือนทําอะไรทําความเพียนไงทําความเพียนนี่ใช้คําว่าอะไรนะเป็นผู้ไม่ประมาททาความเปลี่ยนทําความเพียนก็ energy effort พวกนี้นะไม่ประมาทใช้คําว่า heatfulness นะเราจะไม่ใช้ควาว่าแบบอันอ n neglection เขาไม่มีใช้ก็ใช้ควาว่าเฉพาะเจาะจงเลยคือแบบเข้มข้นเลยนะ h e t f u l n e s s หรือว่า diligent คือขยันอธิฐานล่ะอธิฐานอธิฐานนี่คือการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าก็ใช้ควาว่าแน่นอนแบบ strong determination หรือว่า steadfast resolution คำต่อไปคือ promise h a n สี่ พระมิหาร4ี่ก็คือเป็นธรรมะสำหรับผู้เป็นใหญ่ก็มีเมตตากรุณามูลิตาอุเบกขาเมตตาก็ loving kindness ใช่หกรุณาก็ compassion มูลิตาก็ s y m p a t h e i c sympathetic of joy ซึ่งมันจะไม่มันจะตรงมันจะไม่เท่ากับควาว่า jealous นะหรือว่ามันจะไม่ตรงกันข้ามความว่า jealous คือมันไม่เท่ากัน嘛นะ sympathetic sympathetic of joy ส่วนคำว่าอุเบกขาก็ e q u a n i t y อุเบกขากวันนิ่งเฉความหวงเฉย ความไม่ไหลไปตามสิ่งต่า ง, างๆเหล่านั้นทั้งหมดนี้คำสองพระเจาก็เป็นทางสายกลางก็เารียกว่า Middle Path หรือว่าใช้แทนกับคำว่าเอ็ก t ฟก็ได้มาคแปดก็ได้คุณจะไปบวชอย่างเงี้ยบวชก็ใช้คำว่า Ordination o ord ั่นออร์ดิเอ่หรือว่าการประพฤติประมาจย์ก็จะใช้คำว่ารีคลอสผู้สงบผู้สมณัตอย่างเงี้ย e c l o s ส หรือว่าซ e c ล u ด e d l ไลฟ์ก็ได้ชีวิตที่หลีกเล่นออกมาไปต้องไปหาใครต้องไปหาอุปชาอุปชาก็คือเ e อร์เซปเตอร์ผู้ที่ให้ศีลเปอร์เซปเตอร์เพื่อที่จะบวชในสมัยสมัยพุทธกาลอุปชาคือพระพุทธเจ้าระเงนงะใช้คำว่าสัพพัญยูสัพพัญยูคือผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอมนิเชียนอมนิเชียนกับนี้แม่สวยงามมากอมนิ ni, ว่าเห็นเรยรอบหมดเชียนส์ก็มาจากรักษ์ ที่แบบว่ารู้เน่เหมือนกับสายน์สพวกนี้ศาสตร์พวกนี้รู้หมดทุกศาสตร์เลยแต่ตอนนี้พระเาไม่อยู่แล้วเน่นเหลือแต่าธาตุพระาธาตุนะพระโรมประารีริกาธาตุก็ใช้คำว่า Relics Relics of the Buddha หรือแต่คัมภีร์ที่เราให้มาศึกษากันเนี่ยใช่เป็นอยู่ในพระติฎกก็ใช้คำว่าปาลีแคนนอนแคนนนนี่ก็คือเหมือนกับคัมภีร์หรือพิฎกนะที่เป็นภาษาบาลีก็ใช้ปาลีไปปาลีคนนน บวดมาแล้วนะบวดมาแล้วก็นุ่งผ้ากเรียกว่าผ้ากาสายะนะผ้ากาสายะก็คือ s ซ f ฟฟรอนโรบหรือวนะ่าเยนเวโรบซ f ฟฟรอนโรบหรือ y e l l เยนโรบ Saffron นี่ก็เป็นสารสีเหลืองๆอที่ใช้สำหรับย้อมผ้านะเขาก็เลยเรียกไอ้ผ้าคลุมนี่เนะี่ยซั f ฟรอนซั f ฟรอนนี่เป็นเออ่เขาไป r o โ e r o ร e นี่เป็นลนักษณะของจีวอนจะีวอถ้าเป็นสังกตินี่ก็าจะเอามาคล็อกคือผ้าคลุมแตนะ่ C L O A K คล็อกผาคลุมแบบคลุมหายตัวเนี่ยถ้าใครเคยเล่นเกมน่าจะมีอุปกรณ์อันหนึ่งนำนมาแล้วละ่ะคล็อกนี่คลุมและหายตัวศัตรูวางไม่เห็นแต่เหมือนกับภ่าคลุมของแฮร์รี่พอตเตอร์นะ mm hmm. เขาก็ใช้คำว่าคล็อกเหมือนกัน uh, ส่วนผ้านุ่ง uh, คือเจ้าสบงเขาก็ใช้คําวนะ่า underrobe underrobe หรือว่า lower robe ลักษณะนี้ค uh, ําต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นแค่เบื้องต้นพื้นฐานให้ท่านต่างๆได้ทราบว่ามันมี ทำอะไรที่เป็นสั่งกฤษบางี่จะต้องใช้บ่อยๆฟังแล้วก็สามารถเข้าใจได้อื่นๆก็ก็ไม่ยากแล้วละ่ะอื่นๆก็พอจะเข้าใจได้พิกลได้ประเด็นที่2จะพูดในเรื่องตอนตามใจฉันนี่ก็จะพูดถึงเรื่องการทดลองอันหนึ่งของในวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเขาก็เอาแมวแมวตัวหนึ่งนะแมวมาใส่ในกรงแมวใส่เข้าไปในกรงแล้วก็ทาการทดลองด้วยการที่คนรักแมวก็ทาใจนะ เ, เขาก็อาไฟฟ้าช็อตที่พื้น แมวจะเดินยังไงจะกินจะนั่งจะอึจะเล่นนั้นถูกไฟฟ้าช็อตหมดเลยแต่พบว่าแมวตัวนี้ตกอยู่ในสถานะภาพที่เรียกว่า self helplessness ช่วยวเองไม่ได้ช่วยตัวเองอะไรทำต่างไม่ได้เลยสักอย่างเดียว self helplessness self helplessness อันนี้เป็นการทดลองเพื่อพิสูจน์หลักทางวิจิตวิทยาอันหนึ่งสําหรับอย่างในครอบครัวเนี่ยลูกเนี่ยถูกสอนมาพ่อสอนอย่างหนึ่งแม่สอนอย่างหนึ่งนั้นทุกคนดา่าทุกคนตีหมดเลยทําอะไรก็ไม่ได้ เรียนหนังสือแม่บอกให้เรียนหนังสือพ่อบอกว่าโอ๊ยเรียนหนักไปแล้วไม่ต้องเรียนหรอกไปเล่นบ้างออกคําสั่ง2คํามันขัดกันเด็กก็ไม่รู้จะทำไงและจึงตกอยู่ในส ก, การ self h e l ลพ์เลสเนสมันก็ติดตันอั้นตู้ทาอะไรไม่ได้และเด็กสมัยนี้จะมีปัญหามากนะเล่นพิเศษเล่นพิเศษแล้วก็บอกไปเล่นต้องมีการพักผ่อนในอินเทอร์เน็ตก็มี เ, เกมอะไรต่างก็อยู่ในนั้นหมดมันก็จึงเป็นสถานะที่ว่าสับสนไปหมดนี่อย่างหนึ่ง อ, อย่างที่2การทดอยอย่างที่สองเข้าลิงมา ลิงชิมเปนซีเนี่ยมีโครงประสมที่ใกล้เคียงกับมนุษย์เหมือนกัความฉลาดเอาลิงมาที่เติบโตในในห้องแลบมันไม่เคยอยู่ป่าเลยลิงตัวนี้มันก็ไม่รู้ว่าป่าอะไรเป็นยังไงใช่ไหมมันก็เขาก็เอาทีวีให้มันดูเป็นในทีวีก็เป็นภาพของลิงชิมเป็นซีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในป่าเห็นเจ้าลิงชิมเป็นซีตัวที่อยู่ในทีวีเนี่ยกลัวงูนะโอวิ่งหนีอะไรต่างๆเลยนะซึ่งลิงชิมเป็นซีตัวที่อยู่ในห้องแลบเนี่ย ก็ไม่เคยเห็นงูด้วยซ้ำนะไม่รู้ว่าในป่ามีอะไรต่างๆพอเห็นภาพทีวีที่ว่าลิงชิมบินซีตัวที่อยู่ในทีวีกลัว ง, งูเนี่ยเขาก็เลยเอางูปลอมๆเนี่ยมาวางซึ่งตอนแรกเอางูปลอมๆมาวางเนี่ยลิงชิมบินซีตัวที่อยู่ในห้อง l บ b นี่ไม่รู้่ามันเกิด อ, อะไรนะไปเล่นไปอะไรเฉยเลยพอที่หลังดูทีวีสักสามสี่รอบเท่านั้นเองนะเห็นเจ้างูปลอมที่เขาเอามาวางเลยปรากฏว่าเจ้าลิงชิมบินซีตัวที่อยู่ในห้องแ a บเนี่ยทํากิริยา แบบกลัวมากเลยกลัวเจ้างูปลอมนี้มากทีเดียวนะซึ่งอันนี้เป็นการทดลองที่เขาต้องกานพิสูจน์ว่าเราเรียนรู้จากการเห็นตอนนั้นเองซึ่งสอดคล้องกับพุทธวจนะที่ว่าเมื่อจิตเราตริตรึกไปในทางใดๆมากนยจิตก็นอนไปด้วยกันอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เพราะนั้นเราดูข่าวีคุณเดาข่าวข่ากันด่ากันว่ากันมากๆเนี่ยจิตเราจะหยาบลงจิตจะน้อมไปในทางนั้นอย่าไปดูเลยทีวีที่เขาด่ากันนะนี่กุญยิงเสียงยิงเอาข้อมูลที่ไม่ดีเข้าจิตของเรานะเราก็ เราจึงต้องมีทางออกอย่างสังคมตอนนี้มันคนไม่ดีคนผิดศีลออปากก็ว่าอย่างทําอย่างหนึ่งเป็นคนไม่สะอาดอย่างนี้นะกลับได้ดีได้รับการยกย่องในสังคมสังคมก็ส่งสัญญาณที่ผิดออกมาคนดีทําดีกลับกับถูกก็ดา่านะคนที่ทําชั่วกับได้รับการยกย่องนะพวกมากลากไปนะเป็นพวกหนอนบ้างเป็นพวกอะไรบ้างเราก็ทําให้สังคมมันสับสนไปไม่ได้ณนะตันมีการเชลเพลสเนส แต่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์นี้ได้อย่างไรคุณก็ต้องอมีทางออกทางหนึ่งนะคือการมีกรรยานิมิตใช้มรรคแปดเป็นการะยานิมิตก็ได้เราตั้งอยู่ในความดีเราไม่สนใจใครช่วงนี้เป็นช่วงต่ำของโลกนะมีะต่ต่ำหนักล้าหน้าไปเรื่อย แ, แล้วเราตอนนี้เราจะต้องอให้จิตของเราเนี่ยมีกำลังใจนะมี heatfulness มี diligent ในะการที่จะพยายามให้ออกจากสังสารวัฏอย่าง้เราก็ปลอดภัยอยู่ไดนะ้ครบแต่คนดี ก, ก็แล้วกันคนไม่ดีเราก็อย่าไปสนใจมันนะให้มีความอนะีควอเนมิตี้ในอุเบกขาซะลักษณะนี้ไม่ได่าไม่ว่าใครล่ะไม่ด่าว่าอย่าง h u s ต speech vulgar speech พวกคำโกหกอย่างนี้ลายเราก็ไม่พูดไม่ไม่ใช้วาจาที่ทุ่มเถียงกัน verbal decker's verbal decker's นี่คือแบบ decker's นี่คือม่สั้นนะ verbally ใช้ปากเป็ น, ปนมีดทิ่มแทงกันไม่ได้ไม่เอาไม่ทำแค่นั้นเองอวิธีการหนึ่งที่เราจะทําอย่างนั้นได้คือเห็นเจ้าเสียงเจ้าอะไรพวกนี้โดยความเป็นธาตุธาตุหรือว่าทาโตหรือ element ว่ามันเป็นธาตุใดธาตุหนึ่งก็มาแค่นั้นเองไม่มีปัญหาเด่นอย่างสิ้นส่วนคำเบสิกอื่นๆอย่างเช่น birth aging and death พวกนี้ก็คงเข้าใจกันอุปาทานก็ clinging นะการยึดมั่นถือมัน clinging ตัณหา desire เวทนา feeling ส่วนพรรษะนะเขาใช้คำว่า touchers หรือว่า contact contact ใช้คำว่า contact ไม่ได้ใช้ว่า touchers touchers นี่จะใช้กับไอเจ้าพัรษะที่หอะอายตนะนที่ 5, ห้คือตางหูจมูกลิ้นกายกายนี่คือ touchers ใจนี่ก็คือใจนะ cognition ส่วนอยนายตนะ6ก็คือ six faculty of senses นามรูปก็ name and uh, name and form ส่วนอิชาวิชาก็คือ ignorance ignorance แล้วเราก็พอจะทราบศัทพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ได้พูดถึงประเด็นของ self helplessness ไปแล้วแ้วเราก็อยากให้ตกอยู่ในสถานการณ์นั้น self helplessness เนี่ยคุณก็ไม่รู้ด้วยคำว่าทางอยู่ที่ไหนไม่รู้จะไปทางไหนเพราะว่ามันมันถูกชอ็อตหมดอ่ะ ม, มันทำอะไรไม่ได้เลยแต่แต่อย่างน้อยให้เรารู้ว่าทางที่ถูกคืออะไรนั่นคือ path คือ noble eightfold path แล้วเราจะรู้ว่าทางไปทางนี้ นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังเดินดไปทางนี้สังคมตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ของ self helplessness คนดีไม่ได้ดีคนชั่วได้ดีเราก็คนที่ส่งสัญญาณสับสนกันไปหมดแต่ว่าเราก็ให้มีความมั่นใจในการที่จะเดินตามมากแล้วกันในรายการเปิดทำที่ถูกปิดเพราะอะไรตอนนี้ตามใจฉันจะได้พูดถึงเรื่องของสับสังกฤษ vocabulary ที่มีการใช้ในของศา ส, สาพุธนะแล้วก็ประเด็นเรื่อง self helplessness พบกัหม่ในตอนต่อไปจไิญพร